รู้สึกตัวนะรู้สึกตัวไปเรื่อยหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวมีความรู้สึกตัวอยู่ประจําอยู่เนืองๆอยู่สบายๆไม่ต้องรู้สึกแบบเคร่งเครียดรู้สึกไปสบายๆหายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้รู้อะไรบ้าง เห็นร่างกายหายใจรู้ร่างกายหายใจร่างกายหายใจออกหายใจเข้าหายใจสั้นหายใจยาวนะรู้ใครเป็นคนรู้ใจเป็นคนรู้ฝึกกรรมฐานที่หลวงพ่อสอนว่าต้องแยกธาตุแยกขันนะแยกห้าขันไม่ได้ไม่เป็นไรอย่างน้อยแยกสองขันแยกให้เป็นสองพอแยกเป็นสองได้ความเป็นตัวเป็นตนมันก็แตกลว มันมีรู้สึกมีตัวมีตนนะเพราะมันมีการรวมกลุ่มกันของขันเรียกว่ามีคณะคณะสัญญาอคอรักขัง น, นหนูมันไปหมายรู้มวลรวมไปหมายรู้ความเป็นกลุ่มเป็นกล้อนของขันที่มารวมกันนะไปหมายรู้ว่าคือตัวเรารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีใจเป็นอันเดียวเรียกว่าเรา ให้เรามาหักแยกขันให้ทำคณะให้แตกแยกห้าขันไม่ได้ไม่เดือดร้อนไม่ต้องกลัวให้ได้สองอันก็ยังดีแค่สองก็พอแล้วถนัดดูกายแล้วก็เห็นร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าร่างกายยืนเดินนั่งนอนร่างกายคูร่างกายเหยียดร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งก็เห็นร่างกายมันทางาน ใครเป็นคนเห็นมีจิตเป็นคนเห็นเนี่ยกายกับจิตจะเป็นสองอันเป็นสองขันสองส่วนแค่นี้ก็พอแล้วแค่นี้ก็บรรลุมาผลได้แล้วเพราะถ้าเมื่ไหร่เห็นว่าก า, กายก็ไม่ใช่เราจิตก็ไม่ใช่เราแล้วไม่มีเราเหลือที่ไหนอีกแล้วการที่เห็นร่างกายทํางานจิตเป็นคนดูเรียกว่าเจริญกายานุกศสนาสติปัฏฐาน มีกายในกายคือมีกายแต่ละส่วนนะกาเช่นร่างกายที่หายใจออกก้อนหนึ่งร่างกายที่หายใจเข้าก้อนหนึ่งย่านี้เรียกว่ากายในกายร่างกายที่ยืนร่างกายที่เดินร่างกายที่นั่งร่างกายที่นอนเรียกกายในกายหมายถึงดูกายแต่ละช็อตแต่ละช็อตไปใครเป็นคนดูจิตเป็นคนดูจิตอยู่บนในวิญญาณขันธ์ ถ้าแยกได้สองขันนะเห็นร่างกายทํางานจิตเป็นคนดูเรียกเจริญกายานุปัสนาสติปัฏฐานไม่ถนัดกายดูความสุขความทุกข์ก็ได้เห็นความสุขความทุกข์นั่นเป็นอีกขันหนึ่งเรียกว่าเวทนาขันความสุขเกิดขึ้นจิตเป็นคนรู้ความทุกข์เกิดขึ้นจิตเป็นคนรู้ความสุขเกิดแล้วอยู่แล้วก็หายจิตเป็นคนดูความทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็หายไปดับไปจิตเป็นคนดู มีสองขันแยกได้สองขันเวทนากระจิตตัววิญญาณขันจิตอยู่ในวิญญาณขันแยกได้สองอันนี้แล้วอาศัยรู้เวทนาเนืองเนืองเรียกว่าเจริญเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานนะั้นไม่ต้องแยกห้าตัวหรอกถนัดดูกายก็เห็นกายมันทำงานใจเป็นคนดูถนัดดูเวทนาก็เห็นเวทนามันทำงานใจเป็นคนดูมีใจเป็นคนดูนี่แหละ เป็นคนอารมณ์บือหวาเนี่ยเดี๋ยวก็อารมณ์ดีเดี๋ยวก็อารมณ์ร้ายหรือบางคนมีอารมณ์เดียวขี้โมโหเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็โกรธไม่รู้จะโกรธใครก็โกรธตัวเองโกรธตัวเองเบื่อแล้วก็โกรธ ด, ดินฟ้าอากาศโนะกรธทุกสิ่งทุกอย่างอย่างนี้เราก็จเจริญจิตตานุ ป, ปัสสนาสติปัฏฐานเราเห็นความโกรธเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจิตเป็นคนดูเห็น ความโลภเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจิตเป็นคนดูเห็นความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจิตเป็นคนดูเห็นความลังเลสงสัยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจิตเป็นคนดูง่ายๆอย่างนี้เองอย่างนี้เรียกว่าเจริญจิตตานนปัสสนาสติปัฏฐานแยกสังขารแยกจิตตสังขารจะจิตออกจากกันพอแยกได้แล้วมันจะไม่มีตัวมีตนธรมานุปัสสนานีละเอียดลึกซึ้งมีทั้งรูปทั้งนาม อันนี้แยกได้หลายอันแยกได้หลายขันะเราเห็นการทํางานสืบเนื่องกันไปไม่ใช่เห็นแต่ตัวอันแตอันหนึ่งสภาวะอันแตอันหนึ่งอย่างเวลาเห็นเราจะเห็นการทํางานของมันเช่นเห็นนิวรนรู้ว่านิวรนแต่ละตัวตัวนี้ทําไมเกิดตัวนี้ทําไมไม่เกิดอะไรเงี้ยก็จะรูนะ้หรือเห็นโพชชงโพดชงเกิดได้ยังไงเกิดเป็นลําดับได้ยังไงเกิดร่วมกันได้ยังไง อัศจรรย์นะพชโฉงสนุกอันใหม่ๆเราก็มีสติสติก็คือสติปัฏฐานรู้รูปนามการที่เห็นรูปนามตามความเป็นจริงเขาเรียกว่าธรรมวิจยะนะแล้วก็ขยันดูดูไปเรื่อยเห็นรูปนามทํางานไปเรื่อยเรื่อมีวิริยะนะก็ดูไปมากๆมีปีติในธรรมไม่ใช่ปิติของสมาธิเราผิด ป, ปีติเกิดจากปัญญา มีปิติเกิดขึ้นสติระลึกรู้อีกก็เห็นปิติสงบลงไปดับลงไปเป็นปัสสัตทีจิตก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิขึ้นมาก็เห็นนี่เบื้องต้นเห็นเป็นลำดับแต่ตอนที่จะแตกหักนั้นมันเกิดด้วยกันก็แปลกดีสติก็มีสมาธิก็มีธรรมวิจยะคือตัวปัญญาก็มีเือเห็นปฏิจจสมุขบาทเห็นเห็นอริยสัจ รู้ว่าอะไรคือทุกข์รู้หน้าที่ต่อทุกข์แล้วก็ได้รู้หน้าที่ต่อทุกข์แล้วได้ทําหน้าที่ต่อทุกข์คือการรู้แล้วเนี่ยได้ทำรู้ว่าอะไรเป็นสมุทัยอะไรเป็นนิโรธอะไรเป็นมรรคอะไรเป็นหน้าที่ต่อสมุทัยต่อนิโรธต่อมรรคเมื่อได้ทําหน้าที่แล้วก็ค่อยฝึกไปก็เห็นกระบวนการที่จิตปรุงแต่งความเป็นตัวตนความเป็นทุกข์ สุดท้ายก็เห็นความดับสนิทนของความเป็นตัวตนความเป็นตัวทุกข์เมื่ อ, าอาวิชาดับลงอันนี้ยากหน่อยแต่ไม่ว่าเราจะเริ่มจากกายหรือเริ่มจากเวทนาเริ่มจากจิตก็มีจิตเป็นคนดูนะมีจิตเป็นคนดูจิตตานุปัสสนาก็เห็นกุศลอกุศลเกิดดับจิตเป็นคนดูสุดท้ายทุกค น, นมันจะลงมาที่ธรรมานุปัสสนา ทั้งที่เราดูกายอยู่นี่แหละแตถึงวันหนึ่งเราก็จะเข้าถึงธรรมดูแต่เวทนามาตลอดนะถึงวันหนึ่งก็เข้ามาถึงธรรมดูจิตก็เข้าไปถึงธรรมถึงอะไรเข้าไปรู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจสุดท้ายทุกคนจะมารู้อริยสัจอริยสัจนี่ลึกซึ้งสาคัญตาบใดที่อริยสัจยังอยู่พระพุทธศาสนายังอยู่ อริยสัจหายไปพุทธศาสนาหายไปในตำราเนี่ยเขาพูดไว้แบบเอาใจเต็มที่เลยนะเรื่องการอันตรธานเนี่ยแค่อย่างจำศีลได้ข้อหนึ่งก็ถือว่าศาสนาพุทธยังไม่สูญจริงศีลมันมีมา ก, ก่อนศาสนาพุทธสิ่งที่ทําให้ศาสนาพุทธไม่เหมือนคนอื่นคืออริยสัจเนะื่องจาในความเห็นของหลวงพ่อเนี่ยเห็นแยง้งกับพระปริยัติรุ่นเก่า ระยะโน้เก่าเนี่ยถ้าจําธรรมะไว้ได้ข้อหนึ่งอ่ะเช่นไม่ควบคนพานอย่างเงี้ยนี่ก็จําได้ข้อหนึ่งแล้วยังเรียกว่าอันไม่อันตรฐานแต่ในสายตาหลวงพ่อถ้าไม่มีอริยสัตว์ก็คือไม่มีศาสนาพุทธเพราะสิ่งเหล่านั้นมีมาก่อนพรุทธเจ้าธรรมะทั้งหลายงนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่พวกเราต้องเรียนอะไรเรียกว่าทุกข์รูปนามนีเรียกว่าทุกข์ สิ่งที่เรียกว่ารูปประธรรมนามธรรมอันประกอบเป็นตัวเรา น, นี้คือตัวทุกหน้าที่ต่อทุกคือรู้ไม่ใช่ละรหัตรู้ทุกคือรู้บ่อยๆเวลารู้ใครเป็นคนรู้จิตเป็นคนรู้รู้ทีเดียวห้าตัวมากไปเอาแค่สองตัวก็พอคือตัวหนึ่งแสดงตัวหนึ่งดูต้องมีตัวแสดงตัวหนึ่งตัวหนึ่งดู จะไปแยกสองขันนะากายกับเวทนาถ้าไม่มีจิตเป็นคนดูก็ใช้ไม่ได้นะอย่างน้อยต้องมีจิตที่เป็นคนดูตัวหนึ่งดูตัวหนึ่งแสดงอย่างนี้ถึงจะใช้ได้เล่นละครมีแต่ตัวแสดงไม่มีตัวดูไม่มเจ๊งเท่านั้นเองไม่ได้เรื่องอะไรยั้นจิตนั่นแหละสำคัญมากต้องพัฒนาจิตผู้รู้ขึ้นมาให้ได้ไม่มีจิตเป็นผู้รู้แล้วก็ดูขันมันทางาน ถนัดดูกายก็ดูกายถนัดดูเวทนาก็ดูเวทนาถนัดดูจิตที่เป็นกุศลอกุศลก็ดูจิตที่เป็นกุศลอกุศลแล้วก็เห็นว่ากายเวทนาหรือกุศลอกุศลไม่ใช่เราหรอกนะเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าจิตที่เป็นคนไปรู้เข้าก็ไม่ใช่เราอีกสั่งมันไม่ได้มันจะรู้บ้างไม่รู้บ้างรู้บ้างเผลอบ้างเอาแน่นอนอะไรไม่ได้จะเรียนรู้นะความจริงรู้ทุกเมื่อไหร่ก็จะล่าสมุทัยเมื่อนั้นนะ อันนี้เป็นคําสูงคําว่ารู้ทุกตัวนี้อยอ่ารู้ทุกในขณะที่เกิดอริยมรรคลาพังที่พวกเรารู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจอยู่ทุกวันนี้ยังไม่จัดว่ารู้ทุกจริงหรอกแค่เป็นเบื้องต้นแห่งมรรคเรียกว่าบุพภะภาคมรรคเป็นแค่เบื้องต้นแห่งมรรคในที่สุดตัวมรรคตัวจริงก็จะเกิดในขณะที่เกิดอริยมรรคนั้นในขณะนั้นรู้ทุกและขณะนั้นละสมุทยัยในขณะเดียวกัน ในขณะนั้นแจ้งนิโรธในขณะเดียวกันในขณะนั้นเกิดอรหัตตะมักในขณะเดียวกันนะเกิดในขณะเดียวกันทั้งหมดเลยจิตต่ออริยสัจก็จบลงตรงนั้นนะทำหน้าที่เสร็จทุก ค, คือรูปนามหน้าที่ต่อทุกคืคอรู้ได้รู้รูปนามแล้วสมุทยัยคือตัวตันหานะ้าหน้าที่ต่อตันหาคือละไม่ให้มันดารงอยู่ได้ละแล้ว หน้าที่ต่อนิโรดนิโรดคืออะไรนิโรดคือนิพพานหน้าที่ต่อนิพพานคือเข้าไปเห็นเข้าไปประจักษ์ได้ประจักษ์แล้วหน้าที่ต่อมัสมัสมีองค์แปดย่อลงมาก็คือศีลสมาธิปัญญาหน้าที่ต่อมักคือทําให้เกิดทําให้เจริญงอกงามศีลไม่เคยมีทําให้มีสมาธิไม่เคยมีทําให้มีปัญญาไม่เคยเห็นความจริงของรูปนามทาให้เห็นทําให้มีได้ทําแล้ว เพรนทุกสมูทยัยนิโรธมรรคก็รู้จักรู้หน้าที่ต่อทุกต่อสมูทยัยต่อนิโรธต่อมรร ก, ก็รู้แล้วนะได้รู้รู้หน้าที่แล้วก็ได้ทําหน้าที่เสร็จแล้วพระพุทธเจ้าท่านถึงบอกว่าถ้าท่านไม่ได้รู้ทุกลาสมูทยัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคเนี่ยนะควรอบสามปริวัตรสิบสองจยากภาษาบลโบราณนะอริยสัจมีสี่ แต่ละสัจจะมีเรื่องสมเรื่องหนึ่งตัวมันคืออะไรหน้าที่ต่อมันคืออะไรได้ทำหน้าที่ต่อมันแล้วรวมแล้วก็คือสี่2ูสมสิบอพระเจ้าบอกว่าถ้าท่านไม่แจ้งไอ้สตัวเนี้ยท่านจะไม่ปฏิญาณตัวเป็นพระพุทธเจ้าเลยเมื่อไม่มีพระพุทธเจ้าจะเรียกว่ามีศาสนาพุทธไม่ได้หรอกก็คือไม่มีศาสนาพุทธนั่นแหละ งั้นท่านปฏิยางตนเป็นพุทธเจ้าขึ้นมาได้เพราะว่าได้ทากิจได้สำเร็จแล้วในอริยสัจสนะี่วนรอบสามปริวนะัติสิบสองภาษาต้องแปลภาษาโบราณเมื่อร้อยกว่าปีก่อนภาษาสมัยการที่ห้าภาษาพระที่เราใช้ทุกวันนี้เป็นภาษายกไรกันที่ห้านะงั้นมาถึงวันนี้ต้องแปลแลนะ้ว หรงพ่อเห็นพระลูกศิษย์เขาท่องต่งเขาจะสอบนักทมเอกนะท้องชีวิตอัตภาพสุขทุกข์ทั้งปวงประกอบกันเป็นธรรมเสมอด้วยจิตดวงเดียวฟังแล้วแปลยากกว่าภาษาอังกฤษอีกนี่ภาษาบูรัมโบราณนะก็คือทีจริงแล้วมันคือการประชุมลงขององค์ธรรมจำนวนมากนะอยู่ในจิตดวงเดียวกันเนีในขณะเดียวกันนั่นเอง จะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วจะอยู่ในพบในภูมิใดก็เป็นไปด้วยอำนาจของจิตนี่เองนะครับนะภาษาโบราณก็แปลแล้วก็แปลแล้วต้องแปลอีกนะฟังไม่ออกงั้นรู้กายรู้ใจนะรู้รูปรู้นามไปจิตเป็นคนรู้ฝึกไปจะได้รักษาพระศ า, าสนาไว้แค่ทำทานถือศีล น, นั่งสมาธิ เรียนปริยัติยังรักษาไม่ได้จริงแต่เรียนปริยัตก็ยังดีกว่าไม่เรียนเลยปริยัติสาคัญนะถ้าไม่มีปริยัตเนี่ยการปฏิบัติจะฟั่นเฟือนไปหมดเลยเพราะว่าทุกคนปฏิบัติแล้วหามาตรฐานกลางไม่ได้ก็จะหลงอย่างนี้แหละนั่งสมาธิเราเห็นพระนิพพานนิพพานเป็นนั่งมีพระพุทธรูปนั่งอยู่สำนักหนึ่งนะพระพุทธรูปนั่งเก้าอี้ นั่งห้อยขาตำแหนักหนึ่งนั่งขัดสมาธิสํานักไหนถูกว่าหรือนั่งสมาธิไปแล้วเห็นพระจุลามณีจุลามณีบางคนก็สีนั้นบางคนก็สีนี้บางคนเป็นเจดีย์สมัยโ น, น้นสมัยนี้เจดีย์องค์เดียวกันทําไมเห็นไม่เหมือนกันสักคนเนะหรือระลึกชาติระลึกอยู่นั่นนะนั้นแต่ระลึกได้เป็นใหญ่เป็นโตนะไม่เคยระลึกได้ชาตินั้นเกิดเป็นแมว นะขาเป๋ไปข้างหนึ่งไม่มีใครละลึกเลยละลึกทีไรเปเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินันสนองกิเลสน่ะนะไม่เอาเลยนะทิ้งให้หมดเลยของพันนั้นเอาปัจจุบันรู้รูปรู้นามปัจจุบันนะสำคัญที่สุดพระเจ้าสอนแนละ้วมุ่งให้เราพ้นทุกข์ธรรมะเพื่อความพ้นทุกข์รู้รูปนามลงปัจจุบันนี้แหละนี่ยของจริงนับนั้นของเล่น รู้ไปเล่นๆจริงเปล่าก็ไม่รู้ให้คนอยู่วัดส่งกันบ้านนิมมัสการค่ะหลวงพ่อก็ว่าไงวันนี้รู้สึกว่าใจมันมัวมไม่ค่อยให้เป็นกลางกับมันเราไม่ได้ภาวนาเอาใจใส่ใจมัวรู้ว่ามัวไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบอยากหายรู้ว่าอยาก แค่นี้นะจิตเข้าสู่ความเป็นกลางคําว่ามัวจะไม่มีความหมายกับเราอีกแล้วเหมือนอย่างร่างกายปวดเมื่ อ, อยเงี้ยไม่ได้ภาณนาให้หายปวดแต่พาวนาจนใจมันเป็นกลางปวดก็ปวดส่วนร่างกายใจไม่ปวดด้วยใช ม, มันจะรักษาใจของเราไว้ได้ไปพาวนาอีกไปนามนสกานค่ะระหว่างอยู่วัดนะคะมีอยู่ครั้งหนึ่งนั่งสมาธิก็หลงคิดไป พอมันมีความรู้สึกตัวเกิดขึ้นมาค่ะใจมันหายแล้วก็เว้งความมันหาตัวเองไม่เจอเอิมนั่นแหละที่หลวงพ่อบอกอะนะจริงๆแล้วก็บอกว่าอยากนิพพานอยากนิพพานนะแต่พอตัวตนหายไปนะกลัวหรือไม่กลัวก็เบิ่งว่างเบิ่งวางไม่มีที่พึ่งที่อาศัยนี่อาทินวายานความรู้สึกเบ้่งวางมันเสียดายมันรู้สึกไม่มีที่พึ่ง จิตเราเคยชินที่จะต้องยึดถือไม่รู้ประธรรมก็นามารมต้องยึดไว้สักอย่างพอเราพบว่าไม่มีอะไรให้ยึดได้เลยนะใจมันว่างเปล่เป็นช่วงหนึ่งนะให้รู้ทันความรู้สึกนี้ไปอย่าให้ความรู้สึกนี้ครอบใจใจก็จะผ่านตัวนี้ไปได้นะหลวงพ่อคะแล้วก็ปัญหาหลักที่ครอบคุมอยู่ตอนนี้ก็คือเนี่ยจะไม่รู้ว่าปัญหาของตัวเองคืออะไรหลายครั้งมีความรู้สึกว่าอยากส่งกันบ้าน แต่มันไม่รู้จะส่งอะไรอ่ะไม่เห็นว่าเป็นอะไรเลยเรารู้ความรู้สึกของเราไปะความรู้สึกอะไรเกิดก็รู้ความรู้สึกหายไปก็รู้ไม่ต้องมีชื่อไม่ต้องเรียกอะไระคําบรรยายเท่าไหราใช้ไม่ได้ไปเชื่อมันเห็นไหมความรู้สึกเราเปลี่ยนตลอด <Okay. S 1> แค่นี้พอแล้ะก็ไม่ไม่ต้องอะไรก็ดูไปอย่างนี้ก็ดูไปดูซื้อนะอย่าไปคิดเยอะผง เ ร, เราดูปัจจุบันไปขาบน้ำสการครับหลวงพอ่อก็มาที่ไรก็จิตไม่ถึงฐานก็พยายามหามันอยู่นั่นแหละไปหามันทําไมละ่ะตอนหลังเลิกหาครับเลิกหานั้นแหละเข้าฐานแล้วครับง่ายจะตายไปใช่ครับมันง่ายมากมันง่ายจนนึกไม่ถึงไปหาอยู่ต้องหลายปีหลวงพ่อบอกไม่เข้าฐานไม่เข้าฐานยิ่งหานะ่ะยิ่งไปใช่ครับ ยิ่งคิดยิ่งไม่เจอครับใช่หลวงปู่ดูลย์เฮยสานนะใช้จิตสแสวงหาจิตอีกกลับหนึ่งก็ไม่เจอครับดูโลงปัจจุบันไปครับขอบพระคุณครับที่วัดเนี่ยนะคะก็ส่วนมากก็จะทำในรูปแบบคือนั่งสมาไอ้เดินจนงกรมแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็ดู เวทนาที่มันเกิดส่วนมากเ ว, เ, วเวทนาจะเกิดตอนเดิน<ม>นะคะแล้วตอนนั่งก็มีอยู่บ้างพอเกิดแล้วก็ดูให้มันเป็นไตรลักษณ์<ม>ว่ามันไม่เที่ยงส่วนมากของโยมจะเป็นว่ามันไม่เที่ยง ม, มันเป็นอนัตตาคือเราบังคับมันไม่ได้แล้วบางทีก็ไม่ได้เดินจงกรมจริงๆจะเป็นเดินธรรมชาติเนี่ยเวทนาก็เกิด โอ้เราเกิดนานมากเลยถ้าเกิดนานเนี่ยเราจะอยู่เวทนาไปเรื่อยๆจนมันดับหรือเปล่าคะหลวงพ่อเราก็อยู่กับเราไม่ได้ฝึกเพื่อให้ดับมันนะเราไม่ได้ฝึกเพื่อให้เห็นเลยมันไม่ใช่เราหรอกมันทํางานของมันเองแล้วมันก็ไม่คงที่เดี๋ยวแรงเดี๋ยวเบาใช่ค่ะค่ะเห็นไหมที่ว่ามันไม่ดับมันไม่ดับมันอยู่นานนะจริงๆมันแว่งตลอดเดี๋ยวหนักเดี๋ยวเบาเดี๋ยวหนักเดี๋ยวเบาเนื่อแสดงไตรลักษณ์ตลอดเราฝึกเจนกรทั่งใจเป็นกลางกับมันนะไม่ใช่ฝึกเพื่อเอาชนะหรอก ถ้าใจเป็นกลางใจก็เลิกดิ้นเมื่อใจเลิกดิ้นใจก็เห็นสภาวะอย่างที่มันเป็นมันไม่ดิ้นแล้วแต่โยมก็ใช้วิธีฝึกวิธีเนี้ยต่อไปใช่ไหมคะได้ยังเดินไหวเดินไปค่ะนมัสการขอบพระค <tr ust> ุณค่ะครับครับแล้วครับแล้วสสารหลวงพ่อครับคือครั้งที่แล้วหลวงพ่อให้ผมไปดู <tr ust> ความเป็นตัวตนนะครับทีนี้ผมก็ยังคือย <tr ust> ังดูไม่เป็นยังดูไม่เห็นนะครับไม่แน่ใจว่าผมไปเพ่งไว้ อ, อ, อ, อยากดูพออยากดูเที่ยวหานะไม่เห็นหรอกต้องดูตอนเปลือดเปลอดูดูกิเลสเนี่ยต้องเล่นตอนทีเหลอเที่ยวไปดูไม่เจอสังเกตไหมเวลาเราทําอะไรอะมันมีเซลล์มันจะซ่อนอยู่แต่เราค่อยดูอยู่ยิ่งไม่ไม่คอ่อยโปรหรอกคือผมจะคือจะเพ่งลมหายใจเป็นช่วงๆเอาหลวงพเวลารู้สึกตัวไงเอางี้ถ้าดูจิตไม่ออกนะอย่าไปดูอย่าไปหามัน แล้จิตไปเพ่งลมก็รู้ไม่เพ่งก็รู้แค่นี้ก็รู้ท่านจิตแล้วคใครเป็นคนเพง่งแล้วจิตไปเพง่งครับ ถ, ถ้าละเอียดเข้าไปอีกก็จะเห็นทําไมจิตเพง่งจิตอยากจิตอยากรู้จิตอยากดีจิตก็ไเพง่งนั่นก็คือเป็นควารู้สึกเป็นตัวตนใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆเห็นไปคือเรารู้สภาวะลมปัจจุบันไปเรื่อยๆนะถ้าจงใจไปดูกิเลสเนะี่ยมันจะไม่มีให้ดู กิเลสต้องเล่นทีเผลอเวลาเราเผลอเผอมันถึงจกขึ้นมาถ้าเราไม่เผลอไม่ขึ้นหออรอกหลวงพ่อเขาเขาบอกว่าเวลาดูจิตหลายไปแล้วจะมีความรู้สึกเกิดขึ้นหน้า อ, อก เ, ออเขาไม่รู้ว่าต้องดูความคิดที่ไหนไปหรือว่าต้องดูที่ความรู้สึกทางหน้า อ, อกครับรู้ทันใจของเรานะไม่ใช่ดูที่หน้า อ, อกไม่ใช่ดูตัวที่ไหลไป แต่รู้ทันใจตัวเองเช่นมันไหลไปรู้ว่าไหลมันมีอะไรผุดขึ้นที่หน้าอกแล้วเราสงสัยว่าจะดูตัวไหนดีรู้ว่าสงสัยรู้ทันจิตตัวเองไอ้ตัวที่ไหวขึ้นที่หน้าอกหรือตัวที่ไหวอยู่ข้างนอกก็เหมือนกัน น, ะนั่นแหละเวลาถ้าเรารู้ตัวอยู่เราก็จะเห็นมันไหวอยู่ที่หน้าอกนะบางทีก็ไหวแรงบางทีก็ไหวเบาถ้ากิเลสเราแรงไอ้ตัวนี้ก็ไหวแรง ถ้าใจเราสบายนะก็ไหลเบาไหวสะเทือนอยู่เบาๆนะแล้วจริงๆแล้วมันสะเทือนอยู่ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนถ้าเห็นไปเรื่อยๆนะต่ไปจะเห็นแต่ทุกข์ตาไปมองเห็นตาไปเห็นของสวยของงามนะจิตก็ไหวหูไปได้ยินไม่ว่าของดีไม่ดีจิตก็ไหวใจคิดไม่ว่าคิดดีคิดไม่ดีจิตก็ไหว ดั้จะเห็นไหวอยู่กลางหน้าอกเนี่ยทั้งวันทั้งคืนก็จะรู้เลยว่าทุกคราวที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือทุกข์มันเกิดขึ้ น, นจะเห็นแต่ทุกข์ล้วนๆเลยถ้าเห็นทุกข์ล้วนๆเนี่ยแล้วมันเหนื่อยก็หยุดเจริญปัญญาให้ทำสมถะให้มาท่องพุทโธพุทโธหรือมาเจริญเมตตาอะไรไปให้จิตได้พักผ่อน พอมีแรงแล้วก็เห็ น, นที่หน้าอกเนี่ยไหวๆต่อไปใจเราเป็นคนดูอยู่ต่างหากไม่เข้าไปรวมกับมันไม่เข้าไปแทรกแซงมันเห็นมันไหวๆแล้วใจเราเบื่อรู้ว่าเบื่อใจเราสงสัยรู้ว่าสงสัยเนี่ยเห็นแล้วรู้ทันจิตไปหรือจิตเฉยๆจิตเป็นกลางจิตรู้อย่างสบายรู้ว่าจิตเฉยๆรู้ว่าจิตเป็นกลางรู้ว่าจิตสบายรู้ทันจิตไหวๆเนี่ยเกิดขึ้นไม่เป็นไรมันเกิดทั้งวันทั้งคืนเลย แต่ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นที่จิตจิตมีความรู้สึกอะไรขึ้นมาให้รู้ทันแล้วเราก็เห็นโลกนี้มีแต่ทุกตาไปเห็นรูป ก, ก็เกิดความทุกข์มันไหวหูได้ยินเสียงมัน ก, ก็เกิดความทุกข์มันไหวขึ้นมาลโลกนี้เป็นความกระเพื่อมไหวอยู่ตลอดมันตลอดคืนนะมีแต่ทุกข์ล้นลนเลยถ้าเห็นแล้วมันเหนื่อยก็ทำสมถะ นวัตการมหลวงพ่อเจ้าค่ะคือเหมือนนิสัยเดิมมันชอบตั้งท่าดูไว้อย่างนี้ค่ะก็จะดูอาการมันแล้วพอพอมันเห็นพอมบื้องทีมไปเห็นอาการมันก็จะไปแบบไปเห็นแล้วมันก็ชอบคิดว่ามันไม่อยู่ที่ฐานก็ชอบดึงกลับเออให้รู้ว่าให้รู้ทันใจของเรานะจิตมันอยากดึงอยากอยู่ที่ฐานให้รู้ทันอีกมันอยากกลับมาให้รู้ทันใจ แล้วถ้ามันตั้งท่าดูแบบตั้งท่ารู้ว่ากำลังตั้งท่ารู้ทันตัวเองมันชอบไปอยู่ที่ฐานเดิมที่มันชอบอยู่ยรธรรมชาติของจิตเป็นอย่างนั้นแหละก็ปล่อยมันดูอย่างน้ห้ามไม่ไ ด, มไมได้จิตมีธรรมชาติไหลไปตามความเคยชินเคยชินที่จะตั้งท่ามีมารยาในการดูใช่ไหมจะวางฟอบดูเราก็รู้ห้ามมันไม่ได้แต่เรารู้ทันมัน มันก็เริ่มเห็นเป็นแบบอาการของมันเยอะขึ้นแล้วแต่ว่ามันมันเห็นเป็นเหมือนละลอกละลอกแต่แต่ไม่รู้ไอ้ละลอกนั่นมันคือไม่ต้องอ ไ, ไม่ต้องแปลไม่มีไม่มีชื่อแต่แต่รู้สึกเหมือนเหมือนมันมันไม่ได้ไปจับที่ละลอกมันเหมือนไปดูทีหนึ่งทีหนึ่งทีหนึ่งนะคะถ้าใจไหลไปก็รู้นะไปดูละลอกแ ล, ะละ้วยินดีก็รู้หยินไ้ารู้รูทัดใจไป ไม่ห้ามให้ใจทํางานแต่ว่าทํางานแล้วจิตใจเราเป็นยไงเราค่อยรู้เอาเช่นมันสุบมันทุกข์มันดีมันชั่วมันโดดจับมันไล่ปฏิเสธอะไรยเงี้ยนะดูทันจิตไปแล้วพอถ้ามันกลับมาอยู่ที่ฐานแล้วมันอยากจะดูแบบนั้นก็ปล่อยให้รู้ว่าอยากนะให้รู้ทันนะที่ผ่านมาก็ได้ไปภาวนาที่วัดป่าที่อุดร ก็คือว่ามันก็พอรู้ถึงความมีอยู่ของกะโหลกกับสมองครับเพียงแต่ว่ามันโคลานนะกะโหลกกับสมองโคลานครับและจิตก็โคลานกันครับเพียงแต่ก็รู้สึกมันยังไม่ตั้งบ้านครับเพราะว่ามันคาบริกรรมมันก็เหมือนมันไม่ค่อยสนใจมันก็ยังฟุ้งๆแต่มันก็ไม่ได้ไปหลงต้องบังคับมันครับบังคับให้มันอยู่กับคำบริกรรมดูกะโหลกดูกระดูกอะไรก็ดูไปนะดูหัวดีแล้วดูถูก ครับคือช่วงนี้เวลาเดินจงกรมก็อย่างที่คาารูบาอารรุ่นเลยแนะนําไว้คือท่านจะให้รู้สึกถึงกระดูกหรือ อ, อาการโดยขับไปด้วยกับนุ่นดูกระดูกไปครับเพียงแต่รู้สึกจุดอ่อนคือไม่สามารถเอาผลจากรูปแบบมาล้างพิษของโทสะและพยาบาทได้ครับที่ผ่านมามันเจอโล ก, กธรรมในฝ่ายเสื่อมราบก็คือคล้ายๆกับว่าเรื่องงานอุปสรรคก็เลยก็เลยรู้สึกเสียไมโคล่ากันนะ เราดูกระดกดูกระดูกไปให้เห็นว่าร่างกายมันไม่ใช่เราอะไรเงี้ยแล้วพอใจมันปล่อยวางกายเนี่ยมันจะเลิกโทสะไปเองครับมันไม่ได้ลาง่ายขนาดนั้นหรอกครับเห <laughs> มือนไม่ใช่ลาง่ายๆนะแบบนรรมสัพการหลวงพ่อค่ะที่ภาวนาอยู่ก็เห็นจิตที่ไหลไปคิดค่ะ แล้วก็บางทีก็เห็นกายทำงา น, นะคะ่ะแต่ก็ไม่ไม่มั่นใจว่าทำได้ยังไงะค่ะดูเท่าที่ดูได้นะค่อยๆฝึกไปเท่านี้ชีวิตเราก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วนะดูไปเรื่อยๆขอถวายการปฏิบัติแด่พระพุทธเจ้าแล้วก็หลวงพ่อฟายมอสปายุนะ จิเลสตัวไหนแดงดูออกไหมตัวไหนเกิดบออ่อรย ร, ราคาโทาะสะโมหะตัวไหนหลังๆเจอเห็นความฟุ้งซ่านใช้ได้เขาการสงคันบ้านครับก็ในในแต่ละวันนะครับจะพยายามทำในรูปแบบก็คือจะใช้ลมหายใจเป็นวิหารธรรมครับแต่ว่าจะเป็นคนชอบเดินก็เลยจะเดินไปด้วยแต่ว่า จะใช้ลมหายใจเป็นหลักได้แล้วก็จะรู้สึกก็จะเห็นนะครับว่ามันมันมีหลงกับมรู้อยู่ทันย์ครับเห็นหลงกับรู้ใช่ไหมครับใช่ได้นะหายใจไปแล้วมันจะได้ไม่หลงยาวเท่านั้นแหละไม่ใช่หายใจเพื่อไม่ให้หลงด้วยนะครับไปฝึกนะฝึกรู้ร่างกายหายใจด้วยใจที่สบายๆนะรู้ร่างกายหายใจไม่ใช่รู้ลมหายใจ เห็นร่างกายหายใจส ก, การ์ครับหลวงพ่อหลวงพ่อครับคือหลักๆจะมีอยู่สองเรื่องครับเรื่องแรกเนี่ยคืออย่างบางทีจิตผมทุกข์มากๆครับมันจะมีจิตอีกดวงหนึ่งไปบอกว่าสงสารไอ้จิตดวงนั้นจังเลยเออดูดิไปเศร้าอยู่ออืแต่พอผ่านไปสักสองสาวันผมก็มานึกไอ้จิตที่ไปรู้นะั่นไม่ใช่เราอีกแต่มันานานเกินนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคืออย่างสมมติ ว, ว่าบางทีเราเห็นกิเลสแรงๆอะครับ เราถ้าเกิดเราหักดิบไปเลยกับเราปล่อยตามรู้มันมันจะได้ผลยังไงต่างกันยังไงอะครับหักดิบไม่ดีหรอกอ๋อครับหักดิบมันทําไม่ได้จริงหรอกมันเก็บกดเนาะกันก็คือเราก็รู้ไปจนจนมันหมดเหตุแล้วมันก็ดับเองใช่ไหมใช่แต่เราต้องรักษาศีลห้าครับนะถ้าเราไม่ได้รักษาศีลห้าจะไปดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวพลาดในทำผิดศีลครับขอบคุณครับน่าเชิญกลับบ้าน